ต่อไปนี่ ต, ตั้งใจเตรียมตัวปฏิบัติขอวัดของเราเรียกว่าภาวนาวัดวัดต่างเป็นความประพฤติการปฏิบัติอบรมเป็นประจำการฝึกจิตได้ฝึกผลอบรม สเสมอนั่นเป็นการชอบยิ่งเท่ากับเราปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีท่านไม่ได้ปล่อยจิตไปตามลำพังไปตามอนนานาจของอารมณ์ที่มากระทบและมาถูกต้องท่านย่อมเป็นผู้มีสติ และเลิกกู้สิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษสิ่งที่ควรละและควรบำเพ็ญแล้วท่านเดินตามทางตลอดเวลาท่านไม่ได้ปล่อยจิตให้ว่างเปล่าจากประโยชน์เราทั้งหลายผู้เป็นสาวกอุบาสกอุบาสิกาและบรรพชิตนักบวช เราควรระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าแล้วมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติตามชื่อว่าเราได้ปฏิบัติ บ, ต บ, ตบตูชาขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าและบูชาพระธรรมและบูชาพระอรยิยสงฆ์ชื่อว่าเรายกย่องพระพุทธพระธรรมประสง์ยกย่องศาสนาของเรา ให้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราและปรากฏขึ้นแก่ชาวโลกเราไม่ได้เพียงพูดอวดอ้างว่าเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แท้แทจริงเราได้มาประกอบทาความเคารพพร้อมด้วยกายพร้อมด้วยวาจาพร้อมด้วยจิตใจอยู่ตลอดเวลา เราทั้งหลายได้ปฏิบัติอย่างนี้ควรปลื้มใจดีใจในการกระทำของเราการกระทำที่เราปฏิบัตินี้ถ้าเราไม่ละลึกดูให้ละเอียดแล้วนึกว่าไม่เป็นสิ่งสำคัญแล้วสักแต่ว่าทำแต่ถ้าเราตรวจรองที่เราได้กระทำมานั้น ล้วนแต่เป็นการพุทธหักอบรมกายของเราให้เรียบร้อยเมื่อกายเรียบร้อยแล้วกายเหล่านั้นก็มีคุณมีค่ามีประโยชน์ชื่อว่าเรากระใช้กายของเราให้เกิดคุณเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวของเราเองวาจาของเราเราก็มีสติสัารวมโทษในสิ่งที่ควรโทษ วยายาของเราก็เป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเองเป็นเครื่องประดับให้เราทั้งหลายเป็นคนงานเป็นคนมีความสุขที่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าหาศีิเลนสุกติยันติมีความสุขเพราะการรักษาศินเรามองเห็นสินอยู่ที่ไหนถ้าไม่มองมาที่กายเราไม่เห็นศินเลย ทำไม่มองดูวัจที่วาจากของเราถ้าหากกายของเราเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเราก็เห็นสินมีอยู่ในตัวของเราถ้ากายของเราไม่เรียบร้อยวาจารไม่เรียบร้อยชื่อว่าสินไม่ปรากฏในตัวของเราแล้วแต่ยิ่งเราทำสิ่งที่ไม่เรียบร้อยด้วย เราก็รู้ตัวว่าอกุศลอันลามกมาเกิดขึ้นในกายในวาจาของเราเพราะฉะนั้นเมื่อกายวาจาของเราไม่ไม่มีศีลเราก็มีที่หวังคือทางไม่ดีอยู่ด้วยไม่ดีกายไม่ดีวาจาไม่ดีส่วนใจเล้า มันก็เต้าไม่ดีด้วยกันเพราะมันยังแยกกันไม่ออกคนเราเราจะรู้ว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตคนนั้นเป็นคน่านก็ต้องอาศัยคบกันอยู่ร่วมกันแล้วกิริยาที่แสดงออกมาคือกายการกระทำและวจาจาวคำพูดที่แสดงออกเราจึงรู้ว่าคนนั้นคนดีควรครบ เพราะแสดงออกทางกายทางวาจาเพียงแต่คิดนึกทางใจไม่สามารถที่จะรู้กันได้คนนั้นเป็นคนไม่ดีไม่ควรครบเพราะเห็นความเคลื่อนไหวแสดงออกทางกายและทางวาจาเช่นเดียวกันในทางที่ไม่ดีถึงแม้เขาพยายามจะเก็บสิ่งที่ไม่ดีอย่างไรก็ตาม แต่เมื่อมันมีอยู่ในใจแล้วสะสมอยู่ในใจแล้วจะต้องแสดงออกทางกายทางวาจาให้คนอื่นรู้ส่ออเห็นจิตใจเพราะเหตุนั้นการอบรมกายการอบรมวาจาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความสุขสีเลนสุขติญันติสีเลนะโพกัสัมปทาให้เป็นคนมีพ่อกระสมบัติ นี่อบรมกายวาจาเสและนะนี้พุทธิยันติแม้จะไปพระนิพพานก็ต้องมาใช้อบรมกายวาจานี่แหละแนอกจากนี้ไปไม่ได้มองข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจของเรามาเ ล, ลือกกายเ ล, ลือ ก, กวาจาส่วนรวมแล้วจิตใจของเราก็เป็นกุศลด้วยเท่ากับได้รับการอบรม เพราะจิตเมื่อจิตจะลึกดีแล้วยอ่อมกระทำดีเพราะทำทั้งหลายมาจากใจท่านว่ามโนพุกพังขามาธรรมมาทำทั้งหลายมีใจถึงกอดสำเร็จมาจากใจมีใจเป็นประทานเพราะเอดนั้น การอบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตใจของเราครบสังไตรถวัตคือถวารทั้งสาคือเรามาภาวนาแท้ที่จริงนั่นถ้าหากว่าเรามีสติคุ้มครองจิตใจของเราแล้วส่วนกายวาจาก็ชื่อว่าเราได้คุ้มครองด้วยเพราะเกี่ยวเนื่องด้วยกันส่วนกายจะทำงานตามลำพัง ไม่ได้วาวจ่าจะพูดตามลำพังไม่ได้ถ้าหากจิตใจไม่คิดนึกตรึกต่องให้ทำให้พูดแล้วกายจะทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนเรานั่งสมาธิก็เ้้ามาจากจิตถึงเวลาเรากำหนดนั่งกายก็นั่งถึงเวลาเราพูดก็ต้องมาจากจิต เราเ ล, ลืกเรื่องใดจะพูดเรื่องใดแล้วก็เปล่เสียงวาจาออกมาเพราะฉะนั่นกายวาจาใจเราได้รักษาคุ้มครองดีแล้วโดยการปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเรามีเทพึ่งทางกายมีเทพึ่งทางวาจามีเทพึ่งทาง จ, จิตใจเราไม่ได้อยู่ปราจจากทเทพึ่งคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สวากขาโตภะวะตาธรรมโมพระธรรมที่องค์สัมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วเพราะเหตุใด ด, ดีจริงๆเมื่อเราทําตามกายของเราก็ปราศจากโทษปราศจากเวรวาจาของเราก็ปราศจากโทษปราศจากเวนปราศจากไัยจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเพราะอาศัยเรามา แราเลิกทาคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติตามด้วยความเคารพทั้งกายทวารเท่ากับเราเดินตามทางอรยาาิยมรรคคือทางของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินทางกายทางวาจาทางจิตใจนี้เองท่านไม่ได้เดินทางอื่นไม่ได้ไปทางเรือไม่ได้ไปทางรถไม่ได้ไปทางอากาศ ท่านไปทางกายทางวายจา่าทางจิตใจพระพุทธศาสนาปดิษฐานไว้อยู่ที่กายของเราเราจะรู้ธรรมก็ต้องรู้อยู่ที่กายถ้าเราอยากเห็นธรรมก็เห็นอยู่ที่กายเห็นอยู่ที่วาจา่าเห็นอยู่ที่จิตใจนี่ mm. กายวายจาใจาก็เป็นสมบัติของเราเราควรใช้สมบัติ ที่เราได้มาให้เกิดประโยชน์ให้มีบุญมีคุณมีประโยชน์เหมือนองค์สัมเด็จพระสมณะสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้สมบัติคือกายวาจานี่เองพระองค์ใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวของพระองค์แล้วพระองค์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โลกพระองค์อุบัติเกิดชั่วระยะเดียว พระองค์ทำงานอยู่สี่สิบห้าปีผลงานของพระองค์นั้นหาประมาณไม่ได้จนสองพันกว่าปีแล้วผลงานของพระองค์คือศาสนธรรมคําสอนที่พระองค์ได้วางไว้ยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สตรโลกทั้งหลายทั่วโลกตลอดถึงเทวดาทั้งหลายนันพระองค์ ได้มาจากไหนพระองค์ก็ได้จากใช่สมบัติมนุษย์สมบัตินี่แหละคือตายนี่ให้เกิดประโยชน์วาจานี่ให้เกิดประโยชน์จิตใจนี่ให้เกิดประโยชน์พระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตั้งใจตระกายพยายามคนา้นคว้าประพฤติปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามการอบรมจิตใจให้ฉลาด ให้รู้เห็นสิ่งที่สลับซับซ้อนตามความเป็นจริงเรียกว่าธรรมสิเมื่อคนทุกวันโทษสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมจะทำอะไรเราเมื่อใจของเราฉลาดแล้วสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นตำมีของเรากลายเป็นเครื่องอดนุนของเราถ้าเราโง่สิ่งแวดล้อมกระเยียดยามทำ ลายความสงบความสุขของเราให้แหลกกระจัดกระจายไปเพราะสิ่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาสิ่งแวดล้อมนี่แหละได้เป็นพระพุทธเจ้าสิ่งใดสิ่งแวดล้อมอาจจะเรียกว่าป่าก็เป็นสิ่งแวดล้อมมนุษย์ก็เป็นสิ่งแวดล้อมการเป็นกรัตริยระสงราชสมบัติก็ล้วนแต่สิ่งแวดล้อมทั้งนั้นฝนฟ้าอากาศ วันเดือนปีก็ล้วนจะเป็นสิ่งแวดล้อมพระองค์ก็มาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมสร้างกรมีเอาพิจารณาเห็นสิ่งแวดล้อมนี่แหละกลายเป็นธรรมกลายเป็นสัจจะอย่างประเสริฐกลายเป็นเครื่องผลักดันหนุนพระองค์ให้ได้ฐานะสูงขึ้นตามระดับ จากมนุษย์พุทุชนธรรมดาจนได้สูงขึ้นจนได้โลกกุตระไม่ใช่โลกธรรมดาจนเหนือโลกบนไม่ใช่โลกธรรมดาหรือโลกเหนือเลยเหนือโลกสีเดียว น, นั้นพระองค์ได้จากไหนละ่ะพระองค์ทรงสแสดงเราก็ให้เราทั้งหลายฟังดูในธรรมทุกสู่ทุกบททุกบากก็ล้วนแต่ แสดงชี่ลงในตัวของเราที่กายของเราที่ตัวของเราพระสูตรก็ดีก็ยกบุคคลเป็นเย่ยงย่างแต่บุคคลผู้ใดใดทำบุญให้ทานอาศัาศิลภาวนาประพฤติสุดจริตกายวายจาจใจบุคคลผู้นั้นเป็นบัณฑิตเป็นคนมีกายสะอาดเป็นคนมีวายใจสะอาดบุคคลผู้นั้นควรครบค้าสมาคมควรนับถือบุคคลผู้เม ประพุษกายสดเจริญวายใจสดเจริญมโนสดจจริญเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเคารพในคนประพุทธธรรมประสงค์ถือมั่นในสัมมาทิฏฐิละขันธ์อันนี้แล้วได้ไปสุคติโลกสวรรค์นะเชื่ลงที่ไหนหรอเชื่ลงในการสุเจริญกายวายจาใจอพระวินัยคือศินก็ํารวมกายวายจาให้เรียบร้อยนี่ย กายอยู่ที่ไหนหละเรามีหรือไม่มีวาจาของเรามีหรือไม่มีใจของเรามีหรือไม่มีเมื่อมีก็ศาสนาอยู่ที่นี่เห็นธรรมก็เห็นสิ่งนนี้ทำดีทำชั่วก็มีอยู่ที่นี่ไม่มีกันอื่นที่ทำดีทำชั่วม่ใช่มนุษย์นี่แหละทำดีทำชั่วโดยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจนี่เองสิ่งนอกนั้นไม่มีอะไรชั่วไม่มีอะไรเดือดร้อนไม่มีอะไรวุ่นวาย แต่โลกเนี่้นี่มีความสงบเพราะกายวายจาใจเรียบร้อยก็มีความสงบาจากกายวายจาใจไม่เรียบร้อยก็ทะเลาะบอกแวงกันผิดกันเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาไม่มีความสงบไม่มีความเฮอสุขสร้างเครื่องป้องกันสร้างเครื่องต่อสู้ประหัรประหารทำลายซึ่งกันและกันน่นะ จะเอาความสุขตรงไหนห้เกิดมาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในทําลายกันไม่ได้สอนในสร้างเสร็จที่ทำความชั่วเบียดเบียนซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศว่าเราทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวิถทรงสารนี่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายหมุนอยู่อย่างนั้นเบื้องบ ต้นเบื้องปลายไม่มีเราทั้งหลายตนช่องเที่ยวเกิดอยู่นี่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่นี่นักพบนักชาติไม่ท้วนเราทุกทุกคนล้วนแต่เป็นชีวิตอันเดียวกันเป็นเครือญาติอันเดียวกันเราไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติกันเป็นอันว่าไม่มีเลย ในพื้นพระเจพีนี่ล้วนแต่เป็นที่หลุมฝังศพพวกเราทั้งหลายทั้งนั้นนักไม่ท้วนเบียดตรงไหนก็มีแต่หลุมฝังศพที่เราเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราล้วนแต่เป็นญาติพี่น้องกันร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและกันควรอยู่ร่วมกันให้มีความสุข ต่างคนต่างช่วยตัวเองด้วยไม่ต้องให้บุคคลผู้อื่นเดือดร้อนเมราเกิดมาแล้วเพราะเขาเขาก็มีภาระในส่วนตัวของเขาถ้าหากต่างคนต่างช่วยตัวเองโดยไม่ต้องเดียดเบียงกั น, กนแล้วโลกอันนี้จะไม่เพ่งเร็งโทษซึ่งกันและกันเลยจะไม่มีศัตรู ซึ่งกันและกันเลยแต่โลกเข้าใจผิดไม่มีความฉลาดร่วมไม่จริงจึงมาเพ่งเล็งโทษซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเราเป็นคนดีแล้วเราก็ไม่ต้องมาอยู่ในโลกอันไม่ดีอันนี้แต่เราก็เป็นคนไม่ดีเหมือนกันจึงได้มาประสบอยู่ในโลกนี้ถ้าเราเป็นคนดีไปอยู่เป็นเทวดาแล้ว หรือจะดียิ่งกว่านั่นกับดับคันปริเด็นนตามพระองค์แล้วเพราะเราก็ไม่ดีเองเราไม่ควรจะโทษใครใครควรจะอบรมเราฝึกผลเราไม่มีอะไรแล้วก็ทาขึ้นคนอื่นทาได้เราก็ทาได้ขาเหมือนกันแขนเหมือนกันหูตาเหมือนกันต้องช่วยตัวเองรับผิดชอบตัวเอง เราทั้งหลายถ้าต่างคนต่างรู้สึกรับผิดชอบตันหลักธรรมธรรสอนพระก็ไธเจ้าแล้วโลกนี้จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสันติสุขที่เดียวเราจะไม่ตำหนิตีโทษใครเลยมเมื่อเราทำได้เราก็ทำเอาสิ่งไหนที่เราทำไม่ ไ, มได้หรือวิสัยเราก็หาอยู่ด้วยสิ่งที่เราทำได้ชีวิตอยู่ได้ เราอยากทำต้องฝึกฝนต้องอบรมเมื่อฝึกฝนดีแล้วย่อมนำความฉลาดนำความสุขความเจริญเพราะการฝึกฝนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนับว่ามีโชคดีได้มีทมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏอยู่ยังไม่เสื่อมสู์อันตราทานยังมีวัด ยังมีพระสงฆ์เพื่อจะรักษาบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างอยู่ไม่แน่นักในอนาคตข้างหน้ า, าอาจจะคอยเสื่อมสูญไปสลายไปหมดไปหมดไปเพราะคนทั้งหลายมาวุ่นวายในเรื่องกิเลสความโลภ ก, ก็มากความโกรธก็มากความหลงก็มากคนเกิด ปรากฏในโลกเกิดขึ้นมากเท่าไรแล้วจิตที่เกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตอันวุ่นวายอันนี้ต้องการดีต้องการเด่นต้องการแข่งกันแล้วเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาจะมาศึกษาออทาวินยัยให้เข้าใจลึกซึ้งอันถูกต้อง แม้แต่สละเวลามาบวดเรียนเขียนอ่านเพื่อจะได้สืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกให้มีสงอยู่ต่อไปอีกอาจจะหายากในอนาคตบวดมาแล้วพวกที่จะตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามเรียกว่าอุจจุ ป, ปฏิปันโนก็หายากอีกไี่จะแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้เพราะขัดข้องเอาความสะดวกสบายาำ ใจชอบของเราเองแล้วแก้ทำแก่วินัยพระองค์ด้วยความสำคัญผิดด้วยความเข้าใจผิดอันจิตอ่อนแอไม่เข้มแข็งไม่กล้าแข็งที่จะรักษารรมวนนัยของพระองค์ได้ให้มีความเห็นแตกตต่ตางจากพระองค์คนที่ไม่รู้เข้าใจว่าคงจะเป็นอย่างนี้สกัดสนับสนุนกันไปหนักถือกันไปผิดผิดร่วมกันทาผิด แล้วไม่ได้รับความเย็นใจไม่ได้รับความสะอาดในจิตในใจพระพุทธศาสนากลายเป็นแต่พิธีอ้อนบอลขอร้องดวงวิญญาณต่างๆให้มาช่วยสนุบบำรุงให้ได้ความสุขความเจริญเมื่อไม่มีกำลังสามารถที่จะ ต, ต่อสู้กับปเปรตตัวเองชำระให้ได้ความสงบความเย็นใจได้ความฉลาดแล้วเวลาทุก เกิดขึ้นไฟเกิดขึ้นก็อ้อนวอนขอให้สิ่งอื่นมาช่วยเหลือดวงวิญญาณมาช่วยเหลือตายไปแล้วก็ไม่สามารถไปสวรรค์ด้วยตนเองได้เขาสวดจูงไปเอากระดูกไปไว้ตามที่ต่างๆแล้วก็อ้อนวอนวอนไหวให้สวดส่งดวงวิญญาณหนไปที่นอนที่นี่ถ้าคนอื่นสวดส่งได้แล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่สละราชสมบัติ พระอริยสงฆ์ทั้งหลายไม่สลับไม่ต้องมาประพฤติปฏิบัติจูดงยูป่าเพิ่อจนาแก้ไขาทางจิตใจเพราะด้วยความอ่อนแอไม่สามารถทำได้กับพลิกแปลงหาด้วยความไม่รู้ต่างความจริงด้วยความมืดบอดในจิตใจของบุคคลเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลาย คันศึกษาให้รู้ด้วยตนเองปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองตายไปแล้วไม่มีใครส่งวิญญาณอของเราเราไปเองเพราะเรารู้ทางบุญกุศลไม่ต้องให้ใครทําให้เราทําไว้พอแล้วไม่ต้องใครโอทิตไม่ต้องใครทําอะไรเมื่อละคันนี้แล้วเราไม่อยู่แล้วสถานที่ไหนที่เราได้เตรียมไว้เราก็ไปเราไม่ไปอบาย เราไปสุขติเพราะจิตใจของเราไม่มีทางอบายในจิตใจมีแต่จิตใจประกอบไปด้วยคุณประโยชน์ด้วยความบริสุทธิ์เชื่อมั่นในการปฏิบัติการกระทำของเราด้วยความกล้าหาญองอาจเราต้องไปทางสุขแน่เพราะเราไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ได้สร้างเวรสร้างภัย ขอให้เราทั้งหลายตั้งใจอบรมเพื่อเอาชนะความไม่ดีให้ได้เอาชนะความไม่ดีจากจิตใจในส่วนที่ไม่ดีที่มีอยู่ในตัวของเราเองให้ได้ไม่ต้องชนะคนอื่นแต่เราต้องการชนะคนอื่นเดี๋ยวทะเลาะการผิดกันจึเวน็นภัยทั้งหลายเวลาเราเผลอกระตามมาอีกออการชนะตัวเราเองแน่นอนเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีภัย เราด่าตัวเราเองก็ด่าแล้วนอนเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีภัยแต่ไปด่าคนอื่นไม่ได้เราว่ากล่าวเราเองตั้เตนเราเองสอนเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้มีความฉลาดสามารถเพราะพระองค์สอนพระองค์เองได้แต่นอกนั้นมันมีใครสอนตัวเองได้จะต้องให้คนอื่นสอนแม้แต่คนอื่นสอนก็ยังไม่เข้าใจอีก ยังไม่พอใจโกรธให้พ่อที่สอนนาว่าเขาดุเขาด่าเขาว่ากล่าวเพลงครับจนเกินไปอไม่สะดวกในจิตใจของตัวเองเกิดความไม่พอใจอขึ้นมานล้วนแต่เลี่ยงสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองแต่พูดแบบหมอเขาเรียกว่าเลี่ยงเชื้อโรคไว้ให้กับอกินดวงใจของตัวเอง ไม่ต่อสู้เอาชนะโรคในในใ น, ในจิตในใจการภาวนาการอาศัาศีลการภาวน า, าการใช้สติปัญญาอรบรมเพื่อนชนะเป็นเชื้อก็ทางใจจะท่านเสียกั บ, กบเทเ่านไปเศษทะเลาะกันดูเลยที่มันคิดก็ไม่ทั้งมากก็จะเอาการเอาลาไปเอาหูสซอยจมูกนไปใช้พุทธบริการแข่งมา ให้ทำความช่วยมองหาความชั่วคอยฟังความชั่วคอยแสดงปฏิเกยาวาจาคอยพูดในเรื่องชั่วชั่วให้ทะเลาะกันผิดกันให้แตกกันนั่นพยามาัง ก, กิเลศมันชนะถ้าหากว่าทำชนะคอยสอบซองหาความสงบความเรียบร้อยหามุมสงบลบเล็กจากความวุ่นวาย มาสวดมนต์ไหว้พระภาวนาทำจิตใจของเราให้เบิกบาน น, นั้นทำชนะในจิตใจที่เป็นกุศล่มันชนะจิตใจที่เป็นอกุศลจิตของเรานะ่ยมันมีสองจิตจิตดีจิตไม่ดีนี่แหละมันทะเลาะกันอยู่เรื่อยในภายในเราจะสนับสนุนอะไรแล้วทางไหนแล้วเราต้องชนะสนับสนุนฝ่ายกุศลฝ่ายดีเข้าทางทำคําสอนพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ อย่าไปเข้าทางอโกษน์ทางเทวทัตทางพยามารมันจะดึงไปในทางชั่วไปเทวทัตไปชักชวนให้ไปเจ้าอาชาศัตรูข้าพ่อตัวเองชักชวนพระสงฆ์ยุบยงให้แตกจยกกันอไม่ไม่อยู่ในปกครองพระพุทธเจ้าตัวเองอยากเป็นใหญ่อยากปกครองสงนาะน เ, เทวทัตพวกมานเป็นอย่างนั้นส่วน พระพุทธเจ้าส่วนพระธรรมนะั้นมีความสำรวมมีความเคารพมีความเชื่อฟังฟังโดยความเคารพมีครูมีอาจารย์เคารพกันตามรนดับพระวินัยท่านวางไว้แล้วเมือนพระสงฆ์ท่านแสดงเคารพอย่างยิ่งตามรนดับแก่อ่อนกว่ากันตอนสมัยขษัิย์ ทั้งหกออกบวชเมพระอุบาลีติดตามมาด้วยก่อนจะบวชนั้นพระอุบาลีเป็นคนใช่สำหรับตัดผมตัดอะไรให้กษัตริย์เ่านั่นตระกูลกษัตริย์นั่นพอะจะบวชมาปรึกษากันเราเพื่อจะละทิฐิทิฐิมณะของเราละ ด้วยเราเคยเป็นกษัตริย์มีทิฏฐิิสูงแข็งก็ได้เพราะฉะนั้นให้อุบาลีบวชก่อนเราจะได้เคารพกราบไหว้อุบาลีนั่นท่านพยายามชำระกิเลสถอมตัวกษัตริย์มานะกษัตริย์ของวงกษัตริย์ตระกูลนั่นเพื่อจะได้เคารพกราบไหว้อุบาลีนั่นเพื่อจะถอดถอนพิษภัยอันเกิดขึ้นโดยความทอนลงตัวสําคัญตัวนี่ ดยแต่ครั้งสมัยครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติเคารพกันอย่างนั้นท่านจึงมีความสุบท่านจึงมีความเจริญมีอาวุโสมีพันเตมีลูกสิษย์มีอาจารย์มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องตามหลักแล้วผู้พี่ผู้น้องต้องเคารพกันตามลําดับพ่อแม่เคารพตามลําดับพระก็เหมือนการเคารพกันตามอาวุโสพันเต าการนั่งการนอนก็ต้องแสดงความเคารพตั้งแต่ทันษาเท่าไรท่านจัดหมดจึงเรียกวสวะสดิข์ขาธรรมพระธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วและครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือท่านจัดไว้มรดกของอท่านแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนแต่เราไม่เอาใจใส่ถ้าเราทั้งหลายเป็นผู้เอาใจใส่เคารพ ตามหลักที่พระองค์ทรรมไว้จะเป็นบริษัทที่งามที่สุดจะมีความสงบที่สุดจะมีความย็นใจที่สุดมีความเรียบร้อยที่สุดถ้าเราเอามายท่าย่สมบูรณ์บริบูรณ์แต่จิตใจด้วยกิเลสอุปธรรมจึงผลักดันขัดข้านสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเล็กน้อยไม่เป็นไร เป็นการสมัยมันยาวนานมาแล้วสมัยโน้นเป็นอย่างโน้นสมัยนี้เป็นอย่างนี้อ้างประเทศโน้นอ้างประเทศนู้ส่วนกิเลสมันไม่เคยอ้างเลยไม่เตสุขหัวเข้าไปหาให้ตามตามมันทั้งนั้นไม่ว่าอยู่ประเทศไหนราคะโทสะโมหะไม่เคยลดน้อยถอยลงให้แกเราเลยนั่นเรให้ดีในข้อว น, นี้เราเข้าทางไหน เราเข้าทางพระพุทธเจ้าทางศาสนาเรือเข้าทางพวกมารเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเข้าใจชนิดแล้วมันกาหนดตรรกะพิศพิจารณาตั้งใจปฏิบัติตามแ้าเราทั้งหลายปฏิบัติตามแล้วจะได้ความสุขความเจริญสมควรเป็นอัตภาพดังบรรยายมาสมควรแกเวลาต่อจากนี้ไปภาวนาต่อ ถึงเวลาแล้วจะคอยเลิกเท่า